เราหายใจเข้าออกก็เพิ่มธาตุลมเราดื่มน้ำก็เพิ่มธาตุน้ำเราทานอาหารก็เพิ่มธาตุดินเราเอาอาอมาเป็นเครื่องอบอุ่นก็เพิ่มธาตุไฟเพิ่มไปเพิ่มมาก็แตกสลายออกเหมือนกันล่ะไม่อยู่ไม่ทรงอยู่ใครเป็นผู้ยึดถือสิ่งเหล่านี้ก็คือผู้หลงใครเป็นผู้หลงก็คืออวิชชาไม่เพราะมันไม่ใช่อวิชา เมื่อมีวิชาแล้วเอาวิชาก็หายไปข้ามทะเลหลงโดยความไม่หลงถ้าความฉลาดมาขนาดไหนความหลงขนาดนั้นก็หายไปถ้าความฉลาดโดยสิ้นเชิงไม่มีที่รอเหลือความหลงก็ไม่ก็ชนะความหลงไม่รอเหลือไปอีกเหมือนกันถ้าความฉลาดในโลกีะความหลงในโลกยะก็หายไปถ้าความฉลาดในโลกุตละจนสิ้นเชิงความหลงในโลกุตละ จนเส้นเชิงก็หายไปอยู่ในตัวไม่ต้องทำท่าไาล่ือฮาเหมือนไล่โคไล่กระบือเราเลียมตาอย่างนี้เราไล่ไืออาไหมเออมืดตรงนี้เสนเออ้ายปๆๆๆ้าย้าย้เราก็ไม่ได้พูดนั่น <c oughs> พูดเข้าใจตรงหัวเราะก็หัวเลาะลรวพูดเข้าใจลวรักตนรักษารักพวกรักชารู้จักคนดีรู่หนีคนพา รู้จักใช้จ่ายอย่าใช้ฟูมไฟล์จงตรองหมากบันมันเพียนแก้ไขเพียนหารายได้เพียน เ, เรียนรู้ไว้เพื่อให้จบต น, นดีวัตัญุตาสถาสาธุความรู้จักประมาณรู้จักพอดียังประโยชน์ให้สำเร็จเรามีทรัพย์เท่านี้กาลันอัตจานุตาเขาเป็นผู้รู้จักตนว่าและว่าโดยชาต ตะกูลยศจักสมบัติบริวารและความรู้คุณทำเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วคนเราพึ่งตนให้สมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรนี่ข้อนึ่งเราเมียน้อยเราคอยใช้น้อยก็ให้รู้จักประมาณาพระพุทธศาสนาไม่สอนให้เป็นคนขี้โอเหเฮียชายนั้นจึงให้เมีกล่องเข็มและได้ยับป้าไว้สำหรับตัวเมื่อเวลาขาดจะได้ปะจะได้ชน พเพระความเลี่ยงชีวิตอย่างใดผู้อื่นต้องทําตัวให้เขาเลี่ยงง่ายบมบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเมืองว่าบัด น, นี้เรามีเพศต่างจากคระหัสดแล้วอาการจริตญาใดๆของสมณะเราต้องทำว่าอาการจริตญานั้นๆสองบรรพชิตควรพิจารณาเนือ ง, านางเนืองว่าอาการกายวาจายอย่างอื่นที่เราจะทํา ให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้บัญพิชิตพึงพิจารณาเนืองเมืองว่าตัวของเราเองติตเตียนตัวเราเองโดยสินได้หรือไม่บัญพิชิตพึงพิจารณาเนืงเมืองว่าผู้รู้ใครควรแล้วติเตียนเราได้โดยสินแลือไม่บัญพิชิตพึงพิจารณาเนืองเมืองว่าเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของเข้าใจทั้งนั้นบัญพิชิตพึงพิจารณาเนืองเมืองว่าเรามีกรรมเป็นของของตัวเราทําดีจากได้ดีเราทําชั่วจากได้ชั่ว มันประชิตพึงพิจารณาเนืองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่บันประชิตพึงพิจารณาเนืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่บันประชิตพงพิจารณาเนืองว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้เมกเกอร์เขินในเวลาเพื่อนวันประชิตถามในการภายหลัง ถ้าเราไม่ยินดีในข้อข้างต้นมาเป็นลำดับมาไว้ไมาคิดถามเรื่องสมาธิสมาบัติเราก็เกื้อข้อเขินก็ตอบไม่ ไ, ด, ไ, ม ด, กกไมด้ปฏิบัติไม่ผิดพระบรมศาสตร์ชาก็บอกแล้วอัมปันรักับปฏิปทาสูตรไม่ปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างใครเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิดหนึ่งสำรวมมินทีหกคือระวังตาหูจมูกลิ้นตายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นโูกฟังเสียงดมกลิ่นริมรถ ถูกต้องพลทัพ้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ใยใจสองพชเนมตันนูตารู้จักประมาณในการจินอาหารแต่พอท้องกวร ม, มากมน้อยเนอะยังอีกสีห้าคำจะอิ่มแล้วก็ดื่มน้ำซักยาพารู้จักพอประมาณชาคณยานโยกบางท่านก็อ่านเป็นโยคะชาคนยานโยกประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่หลับมากนัด บุคคลผู้รักง่ายวันหนึ่งคืนหนึ่งผู้ปฏิบัติอย่างมากก็ต้องรับสี่ชั่วโมงถ้าเป็นขนมคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ทุกวันนี้เราแก่แล้วแต่นี่สายของเรามันไม่พอสี่ชั่วโมงคันอายุสามสิบก็ไม่พอสี่ชั่วโมงวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างมากก็สองชั่วโมงเท่านั้น กรอนตาหลับขับตานอนมันก็ไม่หลับเพราะมันเพ่งทำเป็นอารมณ์อยู่ปิ้งไปปิ้งมาอยู่ก็ตามภานาได้ทั้งนั้นไม่ไดะหาว่าแต่จะทําสมาธิเพราะเวลาเราตายเราก็ไม่ได้ขัดสมาธิตายบ้างเนี่ยนั่นอันขัดสมาธิทําเป็นระเบียบเฉยๆหรอกทําเป็นระเบียบเพื่อรักษาระเบียบไว้แต่อาที่แท้เนี่ย จะไปนั่งแต่สมาธิจริงจะภาวนามันก็ไม่ทันกับปัญหาอีกละออยืนเดินนั่งนอนภาวนาในทั้งนั้นละ่ะไปรถไปเรือภาวนาในทั้งนั้นไปป่าก็ภาวนาใ้ทั้งนั้นสติมีอยู่ที่ใดปัญญาก็มีอยู่ที่นั่งศีลก็ามีอยู่ที่นั้นบุคคลผู้จับถิงจับของเปลืองปางเรียกว่าสติม่อยู่กับตัว จับปิ๊บก็ได้ยินจนถึงพม่าโรคจับถ้วยจับทำอะไรไม่เเขกขาดเขียงผาปรงไปเองรัชการที่ห้าเราเคยได้เรียนทำยังไงเรียกว่าจริยาสุ่มซ้ำไม่เรียบร้อยจับโนอนโดนนี้โดนนี้เปลี่ยงปากกนับว่าสุ่มซ้ำเหมือนกันแต่พระปรมาสัตาก็สอนเหมือนกันไปเมืองกรุราชพระปรมาสัตรสอน สอนพลิกครัวับมานีอนวาสุคมาธิกาให้จับของให้วางให้จับให้วาให้จับให้วาให้มีสติอยู่กับจับกับวางผู้ที่จับวางของแขงอย่างนี้ไม่ไม่ไมีสติไม่อยู่กับนี่สติไม่อยู่กับนี่เขาสติไปอยู่ทางอื่นทำอโยปการามาสองอย่างสติความระลึกได้ สำนึกชนยะความรู้ตัวมีอุปการมมากทำมันเนี่เร า, ะานนจะทําอะไรอะไรก็ต้องมีสติหมดเนะี่ยเดินก็เหมือนงานผู้ที่ชนเห็นทนต่องตึงตังตึงตั ง, ต ง, ต ง, ตงเยียกว่าเดินไม่มีสตินะิ ส, นสมาที่ปัญญาอยู่กับสติถ้าจะรักษาก็ต้องมีสติรักษาอาจารย์พูดถนะึสติเป็นการ เป็นปรารถนาในที่ทั้งปวงสติมีอยู่ในที่ใดสัมผชันยะความรู้ตัวก็มีอยู่ในที่นั้นเดินยังคงก็เหมือนกันเดินกลับไปกลับมาไม่ใช่จะเดินเอาเวลาไม่ใช่จะนั่งเอาเวลาไม่ใช่จะนอนเอาเวลาเอาเวลาไปแข่งกันป บ, บอึงมันอยู่ในเบ้าของมันมันอยู่นานสี่ห้าเดือนมันตั้งแต่ต้นปลยนนี่มันยังไม่ได้ออกเนยะคอยฝนอยู่นะั่นะ ถ้าอย่างนั้นมันก็สำเร็จประหันหมดสีนะัมันก็ได้สมาธิหมดสีมันไม่มันได้ออกมันกินปัสสาวะของมันมันก็นอนอยู่ที่นั่นปูมอือนี้อยู่ในรูของมันมันขึ้นอยู่กับสติปัญญายืนเดินนั่งนอนภาวนาในทั้งนั่นหละพุทโธอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็ถูกพุทโธไม่พามาเกิดพุทโธไม่พามาแก่พุทโธไม่พามาเก็บพุทโธไม่พ า, มาพามาตาย พุทโธเป็นอนัตตาคุณไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักวาูกพุทโธพุทโธเป็นแต่สักวรูปไม่ให้ยึดถือพู้ลุมันก็ได้เหมือนกันพุทโธไม่ได้สอนให้ยึดถือพูลไม่ให้สอนให้ยึดถืออะไรต่ออะไรให้เคารพธรรมะอันทำอันไม่ตายพุทโธสอนให้เคารพธรรมอันไม่ตายมีพระนิพพานทำเป็นต้นธรรมโมเขาเหมือนกันสังโฆเขาเหมือนกันก็ได้ทั้งนั้นดึงใส่กันได้หมด ทำแต่ละวัรฏะบาดดึงสั ก, กันได้หมดเหมือนร่างกายของเราถ้าเราจับที่ไหนควรที่ไหนพระอิสานยวาวยิจควรที่ไหนมันก็กระเทือนถึงใจที่นั่นนั่งทําะไรพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันจะปาราลบทาข้อไหนมันก็กระเทือนทั้งกานหมดพิจารณากายเพราะหลวงกายจึงได้มาบอกกายพิจารณาเวทนา ความสวยอารมณ์ทุกทุกอุเบขาเพราะยังไม่รู้รอบจึงมาในสร้างเวทนาเพิจารณาจิตในจิตทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีจิตเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบนึกคิดเพราะสัตว์ทั้งหลายยังไม่เบื่อในการนึกคิดสัตว์ทั้งหลายจึงมีจิตทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูเพราะสัตว์ทั้งหลายยังไม่เบื่อในในการฟังเสียงอันไพเราะสนอโสดเสียงธรรม เป็นมักเป็นเสียงเสียงสมาธิเสียงปัญญาเสียงธรรมยกไว้อันนี้กลิ่นทำก็เหมือนกันรสทำก็เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีจมูกเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบดมกลิ่นสัตว์ทั้งหลายทำไมถึงมีลิ้นเพราะสัตว์ทั้งสัตว์ทั้งหลายชอบลิ้มรสสัตว์ทั้งหลายจึงทำไมถึงมีกาย เสัตว์ทั้งหลายต้องการย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทกกระเทือนสัตว์ทั้งหลายจึงมีทําไมถึงมีใจเพราะชอบเลิศเทศเพราะไม่เบือ่อเพราะไม่นายส่วนพระราหันท่านเบื่อแล้วมานับสมิงเป็นนิบินนัติแปลว่าเบื่อใจทําเมสุเป็นนิบินทัติอารมอะไรอะไรท่านก็ไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นมงคลท่านเบื่อแล้วเหตุข้างนั่ง ท่านจึงเข้าสู่พระิานไปเสียเราทั้งหลายเนะ่ยเบื่อเสียงแต่ไม่เบื่อหูของตนมันลำเอียงนี่เบื่อกินกินแต่ไม่เบื่อจมูกของตนลำเอียงมันก็เลยไม่รู้ไม่พ้นเบื่อรถแต่ไม่เบื่อลิ้นของตนเบื่อทำมารมแต่ไม่เบื่อใจของตนคือว่าเราอะเขาว่าสารบุคคลเราทั้งหลายก็จึงมีใจมาพกครองใจอก็จึงเป็นทุกข์ พระอาจารยเจ้าไม่ได้มาปกครองใจเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วแล้วเลยเพราะใจมันกลายเป็นธรรมไปหมดแล้วที่ปกครองใจอยู่ก็เพราะพระรหัสยังไม่ตายพระรหัสตายแล้วไม่ได้ปกครองใจแต่พระรหัสที่ยังไม่ตายไม่ได้วังใจพราะใจขององค์ท่านไม่มีพิษท่านก็ไม่ได้ระวังราคะโทสะโมหะไม่มีในใจท่านแล้วท่านก็ไม่ได้ระวังเลยปล่อยเลยตามสภาพเลยตามสภาพของใจ จึงยินย <vo> ืนยันว่าใจเป็นแต่สัตว์ป้ายใจไม่ใช่สัตว์หลบคนตัวตนเราเขาเป็นเพียงคิดตานุปัตนาเท่านั้นและท่ำก็เป็นแตตื่นทำอีกเรื่อยๆทำเขาเป็นแต่สัตว์ป้ายทำไม่ใช่สัตว์หลคนตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุปัตนาท่านประพจน์ไปแล้วตายก็เหมือนกันเวทนาก็เหมือนกันตายมีดินน้ำไฟลมเป็นแต่สิกสัตว์ป้าดินน้ำไฟลม ไม่ใช่สัตว์บกคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงดินน้ำไฟลมเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นแต่สักว่ากายเพราดินน้ำไฟลมอย่าว่ากายกายยสังขารก็คือดินน้ำไฟลมก็คือลมอัศาพล ศ, ศาสตร์ก็จับเป็นกายสังขารเหมือนกันความตึกความนึกวิตกกรรมยานจัดเป็นวิชีสังขารเวทนา ญญขันยาสังขารจะเป็นกิตตะสังขารวิญญาณเป็นวิญญาณตามเดิมวิญญาณใส่ชื่อแทนใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแระดับทั้งนั้นไม่มีอะไรกิรังยังย่งยืนอยู่ถ้าว่ามีสิ่งกิรังยั่งยืนอยู่ในใจโลกธาตุพระอรเจ้าก็ต้องไปอยู่ที่นั้นต้องไปอาศัยอยู่สิ่งที่ยั่งยืนเหตุฉะนั้นไม่มีสิสิ่งที่ยั่งยืนเลย เครื่อเล่ากาแฟดับทั้งนั้นหาระหว่างไม่ได้นี่ก็เกิดดับหาระหว่างไม่ได้จนทียิบยิบต่อกันเลยเนี่ยนี่พืชเลยหมูนี่เหมือนกันน่ากายของเราความพันกันชระตาความสดโสมหาระหว่างไม่ได้มันก็แก่กว่าเม่เช้านี่ใช่ไหมนี่แล้วความความเจ็บก็เจ็บกว่าเม่เช่านี่เพราะกาลังอ่อนกว่าใกล้จะตายกว่าเมื่อเช้าเองใกล้ จะตาขวามา ข, ขึ้นขึ้นมาเมื่อกี้นี่ห น, น้สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่เราจะพิจารณาถ้าไม่อย่างนั้นมันก็นอนใจสิ่งไหนที่ไม่นอนใจในวัฏสงสารสิ่งนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนอนใจในวัฏสงสารกับนอนใจในหลุมฐานเพลิงอันเดียวกันกับลุยหลุมฐานเพลิงก็อันเดียวกันโลกคือหมู่สัตว์ชราพยาทิศเข้าไปใกล้มาอย่างยืนโลคคือหมู่สัตว์ ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าใครจำได้จะต้องละทิ้งซาบของตนไว้ในแผ่นดินโรคคือหมูสั์บกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิม่มเป็นธาตุแหงตังหาช่างหนึ่งทำยากข้างปากทำง่ายแต่ง่ายกับยากก็ไม่เหลือวิสัยของผู้พยายามความสาเร็จอยู่กับความพยายามผู้เขาทําชั่วเขาก็สาเร็จเหมือนกันแต่มันให้ผล ไปคนละอยา่างกบผู้พยายามทําดีเมื่อเห็นกรรมฐานอันหนึ่งแล้วกรรมฐานอันอื่นก็เอาเป็นพยานได้เมื่อเห็นลูกขันหรือนามขันมีดินน้ำไฟลมตลอดเวทนาทญายักษารวิ ญ, ญาที่ไม่เที่ยงแล้วที่อันอื่นก็อยู่ในกํา ม, มืออันเดียวหมดเห็นอันหนึ่งก็เห็นหมดถ้าหลงอันหนึ่งก็หลงหมดอีกเหมือนกันถ้าหลงเกิดก็หลงแก่หลงแก็บหลงตายอีกเหมือนกัน หลงได้หลงเสียอีกเหมือนกันถ้าไม่หลงเกิดก็ไม่หลงแก่ไม่หลงเก็บไม่หลงตายอีกเหมือนกันถ้ารู้เท่าเกิดก็รู้เท่าแก่รู้เท่าเก็บรู้เท่าตายเหมือนกันถ้าชนะเกิดก็ชนะแก่ชนะเก็บชนะตายเหมือนกันถ้าถูกแพ้เกิดก็แพ้แก่แพ้เก็บแพ้ตายแค่โรคแพ้ปวดแพ่หลงอันเดียวกันนั่นอะไรก็ปานลบมาสิเนี่ยทุกก็เอาแต่ทุกข์เท่าพิจารณาอันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เอาแต่เท่านั้นถ้าพิจารณาว่าเป็นแต่สภาวะรู้เป็นแต่สาวะเห็นก็เอาแต่เท่านั้นล่ะ ก็รวมกรรมฐานอันอื่นมาแล้วมาไวในที่นั้นรวมโมหานลงมาแล้วพร้องเขารวมห้ใจเข้าออกโมหานก็แปลว่าหารลงในปัจจุบันโมหานกับโมหันก็อันเดียวกันโมหานก็หารลงมาในปัจจุบันพิจารณาในปัจจุบันถ้าข้ามปัจจุบันได้เขาข้ามโลกทั้งสามได้เหมือนกันถ้าไม่ย็ดถือในปัจจุบันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นกับเป็นบุคคลรู้ธรรมจริงแล้ว โลทั้งหลายรวมเนมาในปัจจุบันเมื่อโลกรวมลงมาในปัจยันปัจจุบันสังขารก็รวมลงมาในปัจจุบันพระนิพานก็รวมลงมาในปัจจุบันเหมือนกันนั่นชินสมาที่ปัญญาคุรวมลงมาในปัจจุบันเหมือนกันต่อสู้กันตลุมบอลอยู่ที่ปัจจุบันนั่นเองชนะก็ชนะอยู่ที่นั้นชนะอยู่ที่ปัจจุบันนักจิตปัจจุบันนักถามนั่นเองรถ้มันง่ายๆเนี่ยด้านทิศด้านท่านนะถึงไปสงสัยตายโยมันก็มาถึงละกัน เพชรนนงไหนเป็นจังจะหลุดพ้นง่ายอันนั้นยุ้แม่นยุ้ยน่ะทํายังไงมันจะหลุดพ้นง่ายถ้าจะไปสงสัยฐานศีลภาวนาอยู่การปฏิบัติพระพุท ธ, ธศาสนามันก็เกลียวหวานนั่นแหล ะ, ะไม่ใช่อยู่กับคนอื่นเราจะไปโทษคนอื่นมันก็ไม่ถูกมาขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่ตามภูมิจิตของใครของมันนั่นเองที่ หลวงปู่เทศอยู่เดี๋ยดนี้หลวงปู่มีเกียรตินอหลวงปู่ไม่ได้ไปเคาะรั่วใครเทศอ่ะถูกไหมยังดีกว่าสะพายย่ามไปเท้ า, าเทศเน้อเหลวงปูม่มีอย่างเต็มที่นี่หลวปู่เทศอยู่ที่บ้านหลวงปู่มาหาหลวงปู่ก็ต้องเทศสินั่นเพราะหลวงปู่ไม่ได้ไปเคาะบันไดให้มาฟังเทศเนี่ห <laughs> ลวงปู่ไม่เกียรติเดียเนี่ ย, ยพระมาเอง ไม่ใช่หลวงปู่จะหาโอบายสพายย่ามหรือขึ้นรถไปไปเที่ยวเทศที่นั่นที่นี่ไปไปรถไปแกงที่นั่นมาฟังเทศฆ่ามาฟังเทศฆ่าไม่ใช่หลวงปู่ไหวอย่างนั้น <c oughs> ทีนี้พากันมาเมื่อพากันมาแล้วหลวงปู่ก็ต้องพูดธรรมะทีนี้ตามสังฆจารยาถ้าหลวงปู่ไม่พูดธรรมะเขาไปสมฐานะของสังฆจารยานั่งอำตนเองเอาจะให้หลวงปู่ตัดชินให้ไม่ได้ใครจะเลือมใสพระพุทธศาสนาขนาดไหนต้องไถามตัวเองเอา ก็เป็นเพียงพเดียงเท่านั้นถามตนเองต่อบตอนเองเท่านั้นเพราะใครก็ไม่รู้เท่าเราหรอกความเยนีนะพุทธศาสนาหรือมายนีนะพุทธศาสนาคนในไต้ลักขาศตรไม่รู้เท่าเราเราเองรู้เองถึงแม้จะดักไกลทายไกลได้ก็าตามก็เป็นที่หลังเขาที่เขารู้อยู่แล้วท่านมาเป็นพิชีเฉยๆหอกอย่างนี้ก็เรียกอะไปเปรีมก้างเขา ทีนี้ไอ้แท้เขารู้จักเขาก่อนเราแล้วไม่เป็นปัญหาถูกไหมต่อไปนี้ก็ด้วยเนี่พระพุทธศาสนาอันทรงคุณค่าหาประมาณไม่ได้อันทรงอยู่มีอยู่ทุกการทุกเวลาหาประมาณไม่ได้พวกเราทั้งหลายทุกต้นหน้ า, าทษกั้งตจโลกาจงยาได้มาเกิดแก่เก็บตาย ในวัฏจักรสงสารนี้อีกเลยโทธโมสังโภนิพานังให้พรเพื่อพระนิพพานไม่ได้ให้พรเพื่อหลอกจึงขลมเอวังไ ป, ไปมันอยู่แต่ความเรื่มตัวอยู่แต่ความจำเป็นเพิ่นถิมเลี่ยโตพันมาอยู่พระอนิยะเจ้าถิมแล้วยโพันมาอยู่เพิ่นลาไปเมื่แล้วไม่โตทำมันเก่าคนแล้ว เป็นของเก่าพระอริยะเก่าเป็นของไม้โตโรคไม้ท่านจะไปหาโรคไม้ท่นโรคยดใส่ไม่ใช่ไม่โรคไม้ไม่จะโลกเก่าเนาะเข้ามาโรคมีสัพ์ทั้งหลายที่มาท่องเที่ยวมาแล้วจะไปอยู่โรกไม้ผมมีดอกโรคไม่ไม่จะโรกเก่าเหมือนพระวานาเนาะเคยพระวานายังนอนมมีขวันอนผมมีขวัด นอนคืองว่วคือควายว่านอนรับฆ้าภาวานานอนคือเผจคือผีมอผสมทราระของมนุษย์นอนมนุษย์นอนต้องนอนภาวนารับฆ้ากันมนุษย์เทวดาไปทมันเสียเฉียวนอนยกก็ได้บุญอันพระนึกเบียดเบียนพระนอนยกกระดับบาปเลยให้ <c oughs> บอกผมสั่ว่า ผู wa, ้ใดก็ว wi oh, so ่าสัตว์ไหนกูผู้ใดกว่าใช่กูมึงร่าอีนั่นบักนั่นบักนี่น้องหันย้อนี่น่ะเรียกว่านอนนอนสะสมอบบับพวกนอนภาวนาเรียกว่านอนสะสมอาบุญของฉันเลยยืนคือกันเดินขื้นกันนั่งขึ้นกันคนเท่าชอบแล้วต้องเป็นของงานมัดคนเท่าไม่ชอบเลยต้องเป็นของงาไม่นั่นวะสัตวเออคนเท่าชอบเลวเป็นของงายวัดคนเท่าไม่ชอบแล้วเป็นของงาเออ เออมปิดข้ อ, ของานั่งมันเามาจายมันเามนาม น, นังที่ไหนเน่ยนนั่งตงเ น, นี่ยพราะธรรมอมันเป็นคนตายเว้ยปกตีกันตัวก็ต้องติงไปมาไว้ติงไปม า, ไ, ปมาได้อืมต้องไว้ไปมาเพราะมันใช่คนตาย ก, ก, กันดิคได้เหมือนกันเปลี่ยนอิยาบถแต่ว่าจิตใจไม่ได้เปลี่ยนไปไหนไม่ได้เปลี่ยนออกจากพระพุทธธรมรมประสงค์ไปไหนถึงจะเ ล, ลิกเลิกได้เลิกได้ก็ผขาดจองขาดอยู่แล้วเกิด ลุงเอาเพื่อกันจังเลมเศ้าฮามองหมดถึงจงถึงเกาะภูเกตเมื่อได้นอนใจละพะวนนะ่วน้าจ่ทงเก้าห้ละากูตายนี่กูไปเกิดไซด์แนหาเรืองอมม่นมไปไปในรถเรื่อขึ้กันล่นได้ไวใจเลย่อบคุคคลเขาดอนเล้กเกียอไปไในรถเรือเห็นบคสับปะ บ, บ, บนนนน่บ่อนเราตาสเกาอย่ึมาองค์ส่องหอง แม้นทิฏฐท้ทานเน่งหรือว่าเน่งก็สร้างดิ้นไปดินมากกตามทางคิดใจไม่ทางพิจารณาธรรมของมันอย่างอย่งหนึ่งอของานขืนได้ศาสนานี่ยมากรอกหน่อยเหมอนกันแลนวัดขึ้นกับไปแจงขรราษนถ้ า, าขืนละหามง์เท้าโอมันกับไปแจงขรรช์ราษไหมว่ามันโรรราษไปแจงสุรช์ราษไปบินฑบาตฮะขืนหามงค์เท่าขืนไดนี่มากอกหน่อย ก็ล่งเรือเอาเพื่อการจังอีกต่อไปหันไปนครเชียงตราดไปจังหวัดต่ตงมังกไกไ่ปมดเลยเนี่ยฮะเกือบเงินหนึงพันได้เนี่ะก็ลงเรือกันกับขึ้นพู้กแก๊สหันกันพ่อหน้าไปแหละตัวไม่ได้ไปไกลไม่ได้ออกประเทศนอกเล่าดีขนานนดานาานาไหนจิตใจเล่าถึงว่าพระธรรมประสงค์ซ้าไหนเล่าเกษตรเห็นเล่าข้าวนี้ข่าวหวานเมื่องเป็นเจร่าจนสมัยนี่แหะ วนอนหยมงตอนตอนี่ยแหละสล้สพวพระเทวเวียงกันไป เ, เ, เล่าเรื่องสายพระคุณพระท่านมาสองสาไหนเราย่อมเป็นย่อมตายก็าพเาพูรท่านมาสองสาไหนเล่ากจะจัดใเห็นนะเล่าในข้าวนี่บอกท่านเอาโลดมันต้องเบื้องผู้อื่นกะไ้เบื้องเจ้าของโลดบาทเนี่เบื้องผู้ื่นจะเป็นหน้าที่ของคนเบื้อง เ, เอาหน้าที่ของพระอามา์วัดอะไรนอว า, านี้นเอาเป็นของใหญ่โตของฐาน ด้วยความชินเคยเราพอถือว่าเป็นของธรรมดาแต่ก็ว่าเป็นธรรมดาทุกกันอยู่โดยตรงๆนี้เองแต่พวกเราเคยชินในทุกข์ก็ถือเป็นของธรรมดาไอ้ที่แท่มันก็ตัวทุกข์ทุกยืนทุกนั่งทุกนอนทุกหิวทุกหายกายนะครับปวดอุจจาระปัสสาวะทุกแก่ทุกเก็บทุกตายทุกวิยยบพรา ทุกปรารถนาไม่ได้สมประสงค์ทุกอะไรอะไรกลบลงมาหาที่ใจเป็นพุรูเมื่อใจยังไม่พ้นจากทุกยังไม่เมื่อนายคลายเมาในทุกก็จะได้มาใช้นี้ทุกอยู่ตลอดไปวิชาพระพุทธศาสนาในธรรมชั้นสูงเป็นวิชาทําให้เค็ดลับในวัฏสกสาร ให้เห็นโทษในเกิดให้เห็นโทษในแก่ให้เห็นโทษในเก็บให้เห็นโทษในตายให้เห็นโทษในทุกต่างนานาสารพัดให้เห็นว่าความเกิดกัลุ้นฐานเพิงก็มีความหมายอันเดียวกันความแก่กับลุ้นฐานเพิงก็มีความหมายอันเดียวกันความเก็บและลุ้นฐานเพิงก็มีความหมายอันเดียวกันหั เอาไายเป็นวันการย่อยข้ากการปาร์นาไม่ได้สมหวังรสชาติของสิ่งเหล่านี้รสชาติของความเกิดรสชาติของความแก่รสชาติของความเจ็บรสชาติของความตายก็คือทุกเรา่ดีๆนี่เองไม่ใช่อร่องอื่นกกลเลยเพียงฉะนั้นพระบรมศาสดา จึงทรงพระมหากรุณาให้เราสังลารที่เจรณานทุกเป็่อาราโเพื่อจะได้ละอาในทุกในวัฏสงสารการละอาทุกในวัฏสงสารกับตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาก็มีความหมายอันเดียวกันการเค็ดลาบในวัฏสงสารกับตัวศีลกับตัวสมาธิกับตัวปัญญาก็มีความหมายอันเดียวกัน การไม่ไว้ใจในวัฏฏะสงสารก็คือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญานั่นเองตัวมรตัวผลนั่นเองผลของการที่ไม่ไว้ใจผลของการที่เก็ีดหลามที่ของพวกเราอยู่นี้ไม่ใช่เป็นที่ใหม่เป็นที่เก่าของพวกเราที่เคยต้องเที่ยวมาในวัฏฏะสงสารนั่นเองนับแต่พมทธโลกลงมาจนถึงมนุษย์โลก จนถึงมหาเมฆีในะลบจนถึงสัตติรักษาสิ่งที่มีวิญญาณคองสิงในใจโลกธาตุทุกสิ่งสันเราจะพันน า, นามันก็ไม่หมดสิ้นเป็นที่เก่าของพวกเราทั้งนั้นพวกเราได้เคยท่องเที่ยวมาแล้วบางชาติบางภพพวกเราเป็นคนจนบางชาติบางภพพวกเราเป็นคนรวย บางชาติบางภพพวกเราเป็นคนฉลาดบางชาติบางภพพวกเราเป็นคนพิการอันมาเป็นมนุษย์นี่ตลอดถึงเป็นสัตว์ประาดอิทธิวัติกะพ่อบรมม า, าศาเทราเทพอย่างละเอียดละออท่านทั้งหลายไปมองหน้าดูใครก็ดีคนนั้นไม่เคยเป็นญาติคนนั้นไม่เคยเป็นมิตรคนนั้นไม่เคยเป็นสหาย คนนี้ไม่เคยเป็นปู่ทวดยาด่าทวดตาทวดยายทวดปู่ยา่าตยายายพ่อแม่ลูกเมียมิตรหายครู่าอาจารย์หรือเพื่อนฝูงท่านทั้งหลายหาไม่ได้นะของ้ายากเหลือเกินไม่ชาติหนึ่งคนชาติหนึ่งพวกท่านทั้งหลายพระบรมมาสตลาสอนอย่างนี้ท่านทั้งหลายจงปรองรรทาสังเวช ท, ที่ตนเคยลงมาในวัฏสงสารเถิด อย่าได้นอนใจในวัฏฏะสงสารเลยทุ่มเทความเบื่อหน่ายความคลายเมาความเห็นโทษความเห็นภยัยความเข็ดความลาลงในคะเลไทยพวกท่านทั้งหลายให้ม า, มากๆเถิดพวกท่านทั้งหลายจะเปิดประตูพระนินพานไปในตัวจะข้ามพ้นห่วงทะเลใหญ่ทะเลเก่ทะเลเก็บทะเลตายพวกท่านทั้งหลายอย่านอนใจนะท่านทั้งหลายนอนใจในวัฏฏะสงสาร พอคลายกับท่านทั้งหลายนอนใจในหลุมฐานเปลืองนั่นเองรีบเถิดลุกเถิดดาวเทถาคตปลุกพวกท่านทั้งหลายพอท่ั้งหลายพวกท่านทาาัท้ทงหลายตื่นเถิดในโลกนี้เราวเทถาคตเป็นนักทัศนาจรตลอดถึงพิกษุพระอรหันต์พระสวสดาบาลทศก a าคามีอนาคามีพระอรหันต์ท่านทั้งหลายเหล่านี้ ท่องเที่ยวทัศนาจรหาความสุขในใจโลกธาตมันไม่เจอมันไม่เจอมันไม่พบมันไม่เห็นมันเห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแปรผวนแล้วแตกสลายไม่มีอะไรยงนยังย่งยืนหรอกท่านทั้งหลายจงพิจารณาเป็นเนืองนิดเถินจะได้เบือ่อหน่ายจะได้คลายเมาในความเมาที่ตนเคยเมามาแล้วจะได้ถอดถอนความหลงออกทีละเล็กละน้อย กิจของท่านทั้งหลายจะค่อยว่างไปทีลเล็กๆน้อยไม่เป็นห่วงไม่เป็นอะไรในวัฏสงสารท่านทั้งหลายเห็นความเกิขดขณะเดียวท่านทั้งหลายก็จะเห็นหลอกโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความเกิดเห็นความแก่ขณะกิตเดียวก็เห็นหลอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความแก่เห็นความตายขณะกิตเดียวก็เห็นหลอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความตา ย, วยความมีโยก พ, พัดพรากอะไรๆก็เหมือนกัน เห็นอนิจจังขณะกินเดียวก็เห็นรอบโลกเพราโลกเต็มไปด้วยอนิจจังตลอดถึงสิ่งที่มีวิญญาณกองสิ่งโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันโลกอดีตก็คือกองทุกข์ที่ล่วงมาโลกอนาคตคือกองทุกข์ที่มายังไม่มาถึงโลกปัจจุบันก็คือกองทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่เธอทั้งหลายจงเห็นให้พร้อมกำลมเข้าออกเติด เห็นท the ั้งความเกิดขึ้นเห็นทั้งความแปรปรวนและเห็นทั้งความแตกกระายไปจิตใจของพวกท่านทั้งหลายจะเอื่มและอาในวัฏฏะสงสารความเพลินทั้งหลายของพวกท่านทั้งหลายจะดับไปเมื่อความเพลินของพวกทั้งหลายของพวกท่านทั้งหลายดับไปก็ดีหรืออ่อนกําลังลงก็ดีตัณหาและสมุทัยและทุกนางทางจิตใจของพวกท่านทั้งหลาย ก็จะเบาบางลงจนถึงที่สุดทุกโดยชอบจงข้ามความหลงของตนเสียื่อด้วยพระปัญญาญาณพระบรมศาสตร า, ศ า, ศาเน้นลงอย่างนี้ทำชั้นสูงไม่ใช่ทำชั้นต่ำถ้าทำชั้นสูงสมาธิก็ชั้นสูงปัญญาก็ชั้นสูงศีลก็ชั้นสูงพวกท่านทั้งหลายมีวาสนาแล้ว พระท่านทั้งหลายมันได้มาเกิดมพบพระพุทธศา ส, สนาถ้าหากว่าไปเป็นสัตว์ที่ฉานอยู่หรือเป็นเป็ดแต่เว่ใช่อสุรากายหรือสัตว์นรกพระท่านทั้งหลายก็จะไม่พบพระพุทธศาสนาเพราะขาดวักขาดตอนไปแล้วพระบรมศาลาเน้นลงเราทั้งหลายยังไม่พ้นทุกข์ในวัฏจักงสารย่าได้นอนใจถืออุบาสกอุบาสิกาทิสุสามเน ยาเถรวิทย า, า, าถือวิทยาศาสตเถิดเรายัางไม่พนทุกข์ในวัฏจัรสงสารยังไม่ชนะความหลงของตนจงห้ำหัน่นชนะความหลงของตนด้วยพระสติด้วยพระปัญญาเสียเถิดได้ใดในโลกล้วนอนิจจังได้ใดในโลกล้วนทุกขังได้ใในโลกล้วนอนัตตาไม่จบกะเสียนเลยทั้งกลงวันกลางคืนเราจะพิจารณาเห็นหรือไม่เห็นก็าตาม สิ่งเหล่านี้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนของจริงมีอยู่ไม่มีใครไปแต่งตั้งของจริงมีอยู่จริงในทางเกิดแก่เก็บตายก็มีไม่ก็ก็ออมีอยู่ทั้งกลางวันกลาง ค, าานคืนจริงในทางไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็มีอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมะไม่จบกเกษียณไม่มีเอวังเหมือนเทศความแก่ความเก็บความตาย ก็ประจำสกปรณในร่างกายอยู่ไม่ลงธรร ม, มาติของกายก็เกิดขึ้นแปรปไวนแตกสลายเหมือนกันไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่ฟังเสียงใครเลยเป็นบรรจงอยู่อย่างนั้นคล้ายกับวินาทีของเข็มนาฬิกาเราสมมุติว่าเท่านั้นวินาทีแต่มันก็เดินล่วงไปอย่างฝึงผายไม่ละอายเราเลย พอเราสมมุติว่าทันนั้นวินาทีพูดยังไม่จบมันผ่านไปแล้วชีวิตของเราก็เหมือนกันสังขารทั้งพวงเพอย่างนั้นผู้พิจรารณาความทุกข์อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็คือเขาถือกุญแจเปิดประตูพระนิพพานอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็คือตัดศีลลงในที่นั้นก็คือตั้งมั่นลงในที่นั้นก็คือรอบรูดลงในที่นั้นมีทั้งศีลด้วยมีทั้งสมาธิด้วยมีทั้งปัญญาด้วย ให่เห็นความเลมหายใจเขาออกยิ่งดีการพิจารณาความตายพวามเลมหายใจเขาออกก็ดีเหมือนกันการพิจารณาพุทโธความเลมหายใจเขาออกก็ดีเหมือนกันก็มีความหมายอันเดียวกันเครื่องต่อสู้กับความหลงกับความเพลินในวัฏสงสารวัฏแปรวมวนเวียนสงสารหน่าสงสารความหมุนเวียนวัฏสงสารกับโลกก็มีความหมายอันเดียวกัน ชัดโลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดิสังขารโลกโลกคือสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันโลกทั้งปวงมารวมอยู่ในโลกสังขารสังขารามภารมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งกับโลกเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันกับสิ่งที่มีวิญญาณคลองสิงอยู่ในใต้โลกธาตุเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกัน รับรูปขันนามขันเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันรับรูปประธาต์และอารูประธาต์เป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประโรคและอารูปประโรคเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประสังขารอารูปประสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารอย่างเต็มที่ก็คือผู้ดับเพลินในวัฏฏสงสารอย่างเต็มที่นั่นเอง ก็คือผู้เห็นธรรมในพระพุทธศาสนานั่นเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดประพฤติธรรมผู้นั้นประพฤติเราผู้ใดเคารพธรรมผู้นั้นเคารพเราผู้ใดรู้จักธรรมผู้นั้นรู้จักเราพระบรมศาสด า, สายืนยันอย่างนั้นจะมาเกาะชายกีวันของเราอยู่แต่ไม่เห็นธรรมเท่ากับว่าไม่เห็นเราทำเราทั้งหลายกล่าวดีเลยเป็นนิยานีิกระทาจะนําพวกท่านทั้งหลายออก จากพระธรรสงสารออกจากความหลงจะชนะความหลงของตนไม่วันใดก็วันหนึ่งการแพร้การชนะไม่มีในทางพระพุทธศาสนาการแพร้การชนะภายนอกแพ้ก็แพ้กิเลสของตนชนะก็ชนะกิเลสของตนแพ้และชนะทางอื่นนอกจากตนไปไม่มีแต่ชาวโลกเอามาใช้กันเมื่อชาวโลกเอามาใช้กันก็มีแต่เวนสนองเวนภยัยสนองภัยกันอยู่ แล้วไม่นอดผู้ทีเมืองทีอยู่ทุกหย่อมหญ้าข่าวในใตโลกทาตุนั่นนี่จะข่าวทุกข่าวผู้รักษาศีลภาวนาปฏิบัติเพื่อคนทุกข์นะว่าทาทงสารมันมีน้อยข่าวรถชนกันก็ข่าวทุกข่าวที่ข่าวปล้นข่าวผมขืนรักไถรักถอนเรื่องราววิ่งไทยวิ่งเชสวิ่งจีนก็คือข่าวทุกนั่นเองไม่ใช่ข่าวอื่น ข่าวไฟไม้น้ำท่วมทวายุพัดถลกข่าวหิวข่าวคนนั้นเกิดข่าวคนนี้แก่ข่าวคนนั้นเจ็บข่าวคนนั้นตายก็คือข่าวทุกข์กันดีๆนี่เองไม่ใช่ข่าวอันนผลของข่าวก็คือทุกข์เมื่อทุกข์เต็มไปด้วยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งโลกอดีตทั้งโลกอนาคตทั้งโลกปัจจุบันนี ความเอื่มละอาในชาติในภพ <c oughs> ในโลกทั้งปวงก็เอือมละอาลงทุกทีทุกทีก็เก็ดลาบลงทุกทีทุกทีไม่พยองใส่สังเวชสังเวชตนเองที่เคยพยองใส่มาคล้ายๆกับมแมลงเล็บๆบินเข้าตะเกียงบินเข้าไฟวิชาเค็ดลาบในวัฏตะสตตงสารมีเท่าใดจะทุ่มเทลง ในมนโนภาพจะให้ทหารจำพวกนั้นไล่ความเพลินหนีออกจากมนโนภาพทหารที่เห็นภัยทหารที่เค็ดลาบในวัดตาสงสารพระสติพระปัญญาอันนั้ น, นจะขับไล่ความหลงออกจากพันชาสันดาลจะข้ามความหลงไปโดยเร็วขลังวันคืนของผู้ตื่นอยู่ด้วยสติของผู้เห็นภัยในวัดตาสงสาร เป็นวันคืนที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่ไม่เป็นหมันทรัพย์ในไตโลกธาตุเป็นทรัพย์ของพระอริยเจ้าเป็นทรัพของพระโสดาบันสกทาคาเมนาคามีเมนร ห, รหรือพระหักหรือพระพุทธเจ้าพระท่านเหล่านั้นเห็นว่าทรัพย์เหล่านี้ไม่กี่รังยัง่งยืน เราไม่สมควรจะติดอยู่วิญญาณมาตดิสันที่ของท่านจึงไม่ติดอยู่ท่านก็ทอดทิ้งให้คุณรบุรสุดท้ายภายหลังก็มาแยกกันจะค่ายกำน้ำลายของพวกเราบ้วนทิ้งมดมันมาแยกกันอุจจาระปัสสาวะที่เราถ่ายเทออกหมูนอนและเมลงวันแยกกันชั้นใดก็ดีใจโลกทาด ก็แย่างทรัพสินกัน